ทีนี้หลวงพ่อก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้พูดคุยเนาะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างลองดูนะว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิบัติแบบไหนเราปฏิบัติแบบนั่งเฉยเฉยไม่รับรู้อะไรเลยหรือเปล่าหรือว่าปฏิบัติด้วยการตื่นรู้อย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าการปฏิบัติแบบแบบ ไม่รู้ไม่ชี้อ่ะเช่นปิดหูปิดตาแล้วก็จะเอาความสงบอย่างเดียวอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นสมถะนะเป็นสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบเหมือนกับว่าให้จิตได้พักผนะ่อนเนาะพักผ่อนคือให้ได้พักไม่ฟุ้งซ่านนะทีนี้ถ้าทาแบบเนี้ยผลที่เกิดขึ้นก็คือมีความสุขนะมีความสบายใจคือมันเป็นความสุขอะ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าสุขจากสมาธิใช้เพื่อการพักผ่อน เราจะใช้แบบนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เดินปัญญานะอย่างดีมันก็แค่ได้พักค่อนก็คือมีความสบายแต่หลายคนก็ยังติดอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามีความพึงพอใจในความสุขจากสมาธิแล้วไม่ยอมจะต่อยอดในทางปัญญาเพราะความรู้สึกว่าถ้าไปต่อยอดในทางปัญญามันไม่สงบใจอะ่ะนี่แสดงว่าเกิดกิเลสเกิดความอยากเป็ น, ปนกิเลสแล้วก็คือว่ามีความพึงพอใจ แล้วก็ไปยึดติดกับความสงบอันนั้นอย่างนี้ก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะเหตุว่าความสงบมันก็ไม่เที่ยงพอออกจากสมาธิความสงบก็หายไปหรือว่าแม้ขณะที่กำลังทำความสงบ พ, พอมีความสุขพอใจในสุขติดในสุขแล้วพอมีเสียงรบกวนข้างนอกมีเสียงรบกวนวายๆก็จะทนไม่ได้เพราะความสุขหายไปแล้วก็ตัวเองก็โกรธโมโหเป็นทุกข์อันนี้แต่ว่าถ้าการ เดินปัญญาก็หมายความว่า oh ไม่ติดตรงนี้ก็หมายความว่ามันสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้ให้อยู่กับรู้ก็คือว่าเอารู้เนี่ยเป็นตัวแก่นของธรรมะนะเอารู้เนี่ยเอาสติที่มีที่มีรับรู้อะไรได้เนี่ยให้เป็นตัวแก่นของธรรมะเพราะว่าตัวแก่นของธรรมะเนี่ยก็คือรู้มันไม่ใช่สิ่งถูกรู้คือไม่ใช่อารมณ์อารมณ์เนี่ยย่อมแปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรก็ได้ แต่รู้เนี่ยมันมีแค่หนึ่งเดียวคือมันได้แต่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนยวทางการปฏิบัติคือให้รู้ตลอดสายหมายความว่าจะไปรู้อะไรก็ตามไม่ติดในสิ่งที่ถูกรู้นั้นให้ได้แต่รู้เรื่อยไปก่อนอเนี่ยถ้าง่ายๆนะหลวงพ่อชาเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องการทำสมาธิเนี่ยท่านบอกว่ามันจะยากอะไรมันสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้ โอ้นี่จริงๆอ ท, ท่านท่านท่านท่านพูดไม่ใช่ว่าแค่สมาธินะทั้งปัญญาทั้งการปล่อยวางนั้นเนี่ยมันสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้โอ้นี่สุดยอดเพราะว่ามันยังไงก็ได้ไงก็เรียกว่ายัางไงก็ได้เพราะว่าอาการของสงบมันก็เป็นสิ่งถูกรู้เนาะเป็นแค่ปรากฏเป็นสิ่งที่จรมาให้รู้ว่าเออตอนนี้มันสงบ แล้วพอต่อมาความส ง, งบหายไปก็เป็นความไม่ส ง, งบมันก็จรมาให้รู้สุดท้ายทั้งความส ง, งบและความไม่ส ง, งบเป็นสิ่งที่จรมาเฉยๆมันไม่ได้อยู่แบบแบบข้ามปีข้ามชาติอะไรหรอกมันก็ของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้แหละแต่ถ้าอยู่กับรู้ก็คือรู้แจ้งเห็นจรนะรู้รู้แจ้งรู้แจ้งก็คืออะไรมาก็รู้มันปัดไปก็รู้รู้รอบรู้แจ้ง รู้แจ้งก็คือเห็นความเปลี่ยนไปเห็นความเกิดดับเห็นความไม่แน่นอนเห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งแล้วมันก็รู้เลยว่าโ ธ, โธ่ไอสิ่งที่จรมาจรไปนะไม่ว่าอะไรทั้งหมดน่ะมันเป็นแค่มีแล้วหมดอะมีแล้วหมดมีแล้วหมดยึดถือไม่ได้อ่าพอยึดถือไม่ได้ต่อไปมันก็ง่ายในการปล่อยวางก็คือว่ารู้แล้วอะไรก็ยึดไม่ได้ก็ได้แค่รู้แค่รู้รู้แค่ผ่านเนี่ยตรงนี้มันเป็นการปฏิบัติที่ง่าย แล้วไม่ต้องไปทําคนที่บอกว่าปฏิบัติ ท, ทํายากะเพราะว่าปฏิบัติเพื่อจะเอานะเพื่อ <_ Jews> เพื่อเราจะได้เพื่อเราจะมี cous cous> อะไ <_ C> อ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่มีเราจะได้จะเอาเนี่ยแล้วมันไม่สมใจหวังอ่ะตรงเนี้ยมันคับแค้นใจมากเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้เราปฏิบัติไม่ได้เราแสงแล้วเราไม่อยากจะปฏิบัติแล้วเห็นไหมมันยุ่งยากไปหมดเลยแต่ถ้าไม่มีตัวเรานะไม่มีตัวเราเป็นผู้ต้องการอะไรไม่มีตัวเราเป็นผู้อยากอะไรอ่ะ ก็อยู่เฉยๆอย่างที่ว่าเลยให้มันรู้ของมันนะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปรู้ไปเห็นไ้มตรงนี้มันก็ไม่ยากไม่ง่ายแล้วก็ <c oughs> ก็ไม่ต้องทำอะไรปกติอ่าโยมลองพิจารณาดูนะเวลาปฏิบัตินามัสการหลวงพ่อคะ่ะอ่าหลวงพ่อครับบุญหลันปฏิบัติก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ปฏิบัติอาณาแล้วตลอดวันเนี่ยก็จะดู ดูตัวเองไปด้วยดูลมไปด้วยถ้าเกิดว่ า, าก็ใช้ตัวรู้เนี่ยค่ะไอที่มีปัญหาคือกายก็รู้เวทนาก็รู้ก็คือดรูรู้เรื่อยๆค่ะตลอดทั้งวันก็คือไม่ใช่ตลอด24ชั่วโมงแต่พอมีอย่างขับรถหรือว่ามีเวลาว่างหรือว่าพออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยบุหลันก็รู้หลวมพออะไรมีเกิดอะไรขึ้นผัดเข้ามากระทบผัสสะตัวเองเนี่ยบุหลันก็พอจะรู้ได้ แต่ที่มีปัญหาคื อ, อความคิดค่ะเวลาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันความคิดมันจะมาเป็นกลุ่มๆแล้วมันก็จะมาแล้วแบบมันนานมากกว่าที่เราจะกลับขึ้นมารู้ตัวอีกทีมันมีนันท่มันเหมือนกับว่าเราเพลิดเพลินไปกับมันนะคะก็ลเลยไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอ ว่าทำยังไงเพื่อที่จะให้รู้ได้เร็วเพราะาบางทีนี่บางทีนี่เป็นวันๆเลยบางทีแบบว่าเราคิดเรื่องเดิมเรื่องเรื่องเนี้ยแล้วมันรู้พอมารู้อีกทีนึ่งอา้าวเราเสียเวลาคิดไปคือแบบมันหลงไปเป็นวันเลยอะค่ะบางทีเป็นขนาดนั้นเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวความคิดเนี้ยลำากยากที่สุดสําหรับบุหลันบุหลันก็ไม่ไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะพอจะชี้แนะได้ไหมคะว่าทํำยังไงให้เราจับ มันได้เร็วที่สุดแต่ถ้าเวทนาทางร่างกายหรื อ, อ, อดูลมหายใจเนี่ยบุญหลันได้พอได้อยู่ก็คือทำอยู่เป็นประจำก็เลยไม่แน่ใจว่าเราเราหลงไปตรงไหนหรือว่าพลาดตรงไหนอะค่ะพลาดไปก็คือสติไม่ได้ตั้งมั่นกับฐานที่ที่กำหนดไว้เนาะ เพราะว่าตามที่ที่ฟังเนี่ยในเบื้องต้นก็คือเอาฐานเนี่ยเอาฐานกายลมเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของสติคือรู้ลมหรือว่าอาจจะรู้ตัวคือกายหยาบใช่ไหมอืมมอนก็ว่ากำหนดไว้ตรงนี้แต่ทีนี้เนื่องจากว่าพอกำหนดแล้วเนี่ยแต่จริงๆมันก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะพอทุกอย่างมันก็บังคับไม่ได้มันก็ไม่เที่ยงเราจะสั่งกำหนดว่าให้อยู่ตรงนี้ต่อเนื่องนานๆแล้วก็อย่าไปคิดเนี่ย มันก็ก็ทำไม่ได้ยิ่งยิ่งไปบังคับเนี่ยมันก็เครียดเนา ะ, ะเครียดกับผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็คืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็คือก็คือรับรู้แล้วว่าอ๋อมันหลงนานก็คือรู้แล้วนะมันหลงไปก็เรียกอย่างที่ ท, ที่ที่เล่าอ่นแหละนั่นก็คือมันกําลังแสดงความจริงอยู่ว่าเอออะไรก็บังคับไม่ได้แล้วก็เวลามันไปคิดเวลามันหลงคือรู้ไม่ได้ว่ามันคิดเนาะแต่ตรงที่ ถัดมาเนี่ยมันเมื่อมันตื่นรู้คือมีสติมันก็รู้ได้ว่าโอ้โหเมื่อกี้หลงไปตั้งนานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจุบันแล้วนะเป็นปัจจุบันก็คืออัปเดตเรียบร้อยแล้วส่วนที่มันหลงคิดนานมันก็ตกเป็นอดีตไปแล้วไม่ต้องไปกังวลใจนะแต่ทีนี้ก็คือมาอยู่กับปัจจุบันใหม่ปัจจุบันก็คือตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เห็นหถ้าเรามาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรื่องอดีตเนี่ยมันไม่สนใจแล้วเพราะว่าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่พอเราอยู่กับปัจจุบันก็คือมีเพียรรู้อยู่เนี่ยเช่นถืมว่าระหว่างการฟังเนาะอ่าเราก็มาฝึกได้ว่าเออช่วงที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยเราก็ฟังตั้งใจฟังเนาะว่าเออท่านพูดอะไรแต่ไม่ถึงกับว่าบังคับว่าโอ้ต้องฟังอย่าให้หนีไปไหนอย่าให้เครียดคือฟังให้แบบปกติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะแล้วก็ฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยๆยเนี่ยซึ่งมันก็รู้อยู่แก่ใจเองว่าขณะที่ฟังเนี่ยมันก็รู้อยู่นะได้ยินอยู่แล้วก็พิจารณาตาม แต่พอบางช่วงเนี่ยมันแอบไปคิดเนาะมันหนีไปคิดมันแวบไปคิดแล้วไอ้ตรงที่แวบไปตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นไงเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าขาดสติลืมตัวไปซึ่งเป็นปกติธรรมดาแต่นี้พอแวบไปแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ๆมันนึกได้ขึ้นมาเองว่าเอา้าเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ฟังหลวงพ่อเลยหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้เขาเรียกว่ามันตื่นรู้แล้วมันมีสติแล้วนะเพราะนั้นสติตัวจริงเนี่ยสติแท้ๆเนี่ยคือมันจะต้องเกิดเองคือเวลาหลง สติไม่มีใช่ไหสติไม่เกิดแล้วก็พอมันหลงไปสักพักหนึ่งมันมีสติขึ้นมาเองโดยที่ว่าไม่มีใครสะกิดไม่มีใครมาบอกไม่มีความพยายามแต่อย่างใดมันระลึกได้เองว่าเมื่อกี้เนี่ยลืมคือลืมตัวไปนะขาดสติไปตรงนี้ก็ทำให้ว่าไอสติตัวจริงเนี่ยคือลักษณะแบบเนี้ยแบบที่ไม่มีเจตนาที่จะให้มีสติอ่ทีนี้พอเรามีความเพียรมากๆก็คือเพียรให้ต่อเ น, นื่องก็เนี่ยฟังไปเรื่อยๆเนี่ย ฟังไปเรื่อยๆเสร็จแล้วอ่ะมันก็หลงอีกแล้วก็เริ่มรู้จักแล้วว่าอ๋อไอการหลงคือเป็นอย่างนั้นไอการรู้คือเป็นอย่างนี้พวกนี้มันเป็นประสบการณ์ทั้งหมดอะนะเราจะไปเที่ยวเข็นบังคับไม่ได้แต่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นเรล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมาเป็นประสบการณ์เพื่อจะได้เกิดปัญญาในทางธรรมะว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้นนนนแล้วก็ความเป็นตรงเนี้ยมันเป็นของมันเองไม่ใช่เราเป็นนะเราก็จะเกิดปัญญาในทางธรรมะมากขึ้น แต่ยังไงก็ตามก็คือมีความเพียรฝึกไว้อย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะถ้าเมื่อฟังก็ตั้งใจฟังแต่ส่วนมันหลงเนี่ยเดี๋ยวมันหลงก็หลงของมันเองแล้วเวลารู้มันก็รู้ของมันเองทําแบบเนี้เดี๋ยวจะเข้าใจเองเออมันจะเป็นพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเนี้แต่ถ้าให้เป็นไปตามใจหวังว่าเออแล้วยังไงจะให้มันไม่เผลอเลยจะได้ไม่เผลอนานนี่แสดงว่าเราอาจจะไปตั้งเป้าหมายมันซึ่งยิ่งตั้งเป้าหมายแล้วถ้าทําไม่ได้มันก็ยิ่งเครียดแล้วยิ่งท้อแท้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้มันไปตามลําดับอย่างนี้แหละมันเผลอนานก็มันก็เข้าใจได้ว่ามันเผลอนานใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็อดีตไปแล้วแล้วก็เริ่มต้น <laughs> เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก็คืออยู่กับปัจจุบันใหม่เริ่มต้นใหม่อยู่อย่างนี้เริ่มใหม่อยู่เรื่อยอนะถ้ามันหลงไปแล้วมันผิดไปแล้วมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไอ้คาว่าเริ่มใหม่ตรงนี้แหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะทําให้มันเกิดความตอ่อเนื่องได้อถ้าถือเจ้าค่ะเข้าใจแล้วค่ะ อยากให้พวกเรานะถ้ามีโอกาสได้คุยได้ถามเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหะอย่างเมื่อกี้ที่โยมบุญหลานถามเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ทั้งโยมบุญหลานเองแล้วก็คนฟังด้วยเนาะ เ, ออเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันช่วยช่วยกันอ่ะก็เรียกว่าช่วยช่วยกันเพราะว่าทุกอย่างการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรอกแต่อาศัยประสบการณ์อาศัยประสบการณ์เพราะประสบการณ์นั่นแหละมันมันสอนให้ให้เกิดปัญญาให้รู้ความจริง แต่ถ้าเราเราไม่อาศัยประสบการณ์เช่นเราอ่านหนังสือนะอ่านอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแต่ไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงเนี่ยปัญญามันไม่เกิดหรอกอย่างดีก็คือว่ามันเป็นสมมติพอเราฟังเนี่ยมันเป็นปัญญาของผู้พูดหมดเลยเป็นเรื่องของผู้พูดหมดเลยอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อตอบโยมอะ่ะมันเป็นปัญญามันเป็นความรู้ของหลวงพ่อไงแต่มาพูดให้ให้โยมฟังเนาะแต่ทีนี้พอยมฟังเสร็จแล้วถ้ายมเชื่อตามที่หลวงพ่อว่าแล้วไม่ไปสังเกตไม่ได้ อไม่ได้อาศัยประสบการณ์ของตนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความรู้ของของเจ้าตัวเองเออประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลองสังเกตนะทุกอทุกวันเนี่ยที่ที่เราเรียนธรรมะจากการฟังคนโน้นคนนี้เนี่ยที่เขาพูดให้เราฟังนะ่ะมันเป็นปัญญาของเขาทั้งหมดเลยนะ่นะ่ะหนังสือทุกเล่มอ่ะที่เขียนขึ้นมาอนะ่ะที่เราไปอ่านนะมันเป็นปัญญาเป็นความรู้ของผู้เขียนร้อยเปอร์เซนแต่เราอ่าน นะเราไปอ่านแล้วเราก็ไปไปคล้อยตามกับเขาโดยที่ว่ า, าไม่ได้มีการพิจารณาไม่ได้ดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองกลายเป็นว่า Copy ความรู้ของคนอื่นมาหมดเลยตรงนี้ไม่ได้ช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้เลยตรงนี้สําคัญมากนะถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกับว่าเราอ่านมากเรารู้มากถ้ารู้ตามหนังสือรู้ตามตํารานเนี่ยเท่ากับว่าไปเอา Copy ของคนอื่นมาหมดเลยประโยชน์มีน้อย แต่ถ้าของจริงอย่างของโยบุลันเนาะโยบุลันมีประสบการณ์นี่ที่เล่าให้ฟังว่าเอ อ, อกําหนดสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ตัวเนี่ยอันเนี้ยแสดงว่ามีการลงมือไปไปกระทําอย่างนั้นแล้วก็สังเกตแล้วก็จากการสังเกตก็เห็นว่ามันเผลอนานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าไปเห็นมาแล้วแล้วก็เอามาเล่าเอามาบอกอนะ่แล้วก็พอตีนี้มันก็อย่างว่าก็ยังมีความสงสัยะนะเพราะว่ายังไม่รู้ก็เรียกว่ายังไม่รอบรู้ใน สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เลยมาถามก่อนว่าเป็นยังไงแล้วหลวงพ่อก็ตอบตามที่หลวงพ่อรู้สิใช่ไห ม, มแต่ทีนี้แค่ฟังว่าหลวงพ่อรู้แบบนี้แล้วก็ฟังฟังไว้แค่เนี้ยก็ประโยชน์ยังน้อยที่เหลือก็คือว่าอ่ะก็เริ่มใหม่ต่อไปเริ่มนับหนึ่งก็คือเริ่มหนึ่งใหม่แล้วก็ค่อยประสบค่อยสังเกตเนี่ยก็เป็นประสบการณ์อันใหม่แล้วก็จะรู้เองเห็นเองเองเออย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้แหละเนี่ยหลวงพ่อพูดแบบเป็นแบบกลางๆที่สุดละ ต่ยังไม่มีผู้ใด ย, ยกมือเนาะหลวงพ่อก็จะพูดต่อไปพูดถึงเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องเรื่องสตินะสติสติที่เป็นธรรมชาติสติที่ระลึกรู้ได้เองหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วตรงนี้ให้ยมลองสังเกตนะว่าสติที่ระลึกรู้ได้เองเนี่ยจะไม่มีตัวเราเป็นผู้ดึงกลับจะไม่มีตัวเราเป็นผู้กระทําอะไร แต่มันเป็นการกลับมาที่ตัวโดยโดยสติเองอย่างหลวงพ่อยกตัวอย่างนะซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันมีเยอะมากเช่นสมมติว่ากาลังนั่งใจลอยนะนั่งเมิอนั่งใจลอยตาไม่กระพิบนะสมมติเนี่ยก็เรียกว่าเมิอใจลอยสุดขีดเลยอ่ะนะนั่งแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วแหละไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเมิอลอย แต่คนอื่นนะ่คนที่เขาเข้าใจเรื่องสติเขามีสติเป็นเนะ่เขารู้แล้วว่าไอา้คนเนี้ยโอขาดสติยังแบบย่อยยับยับเยินหมดแล้วไม่รู้สึกตัวเลยมือแล้วก็แกก็เดินมาที่ที่ผู้หญิงที่ที่หมายถึงว่าเดินมาที่ไอ้คนที่นั่งเมือใจลอยนะมาสกิดที่ไหลพอมากิดสกิจที่ไหลปั๊บเนี่ยมันจะเกิดสติแบบธรรมชาติคือตื่นตัวขึ้นมาคือกลับมารู้ตัวว่า ม, มีคนมาสกิดที่ตัว แล้วไอ้ความคิดความเม่อยลอยทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันดับมันดับสนิทเลยคือมันหยุดมันหยุดมันต่อไปไม่ได้แล้วที่มันต่อไปไม่ได้เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามีการตื่นรู้มีสติระลึกรู้ตัวขึ้นมาทําให้ความเหมื่อดับไปความคิดที่กําลังหลงคิดน่ะมันก็ขาดลงตรงเนี้เจ้าตัวเนี่ยจะเข้าใจได้ร้0ยเลยว่า อ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ตัวโดยอัตโนมัติรู้ตัวโดยที่ว่าเราไม่ต้องดึงกลับมารู้ตัวแต่มันมันกลับมาเองแล้วมันรู้ตัวแจ้งชัดเลยว่าเมื่อกี้หลงไปตรงนี้มันจะได้คำตอบแล้วก็ทาให้รู้จักว่าไอ้สติตัวจริงเนี่ยคือคุณสมบัติของมันคือมันเป็นแบบนี้ไม่มีเราเป็นผู้จัดการเรื่องสติแต่มันระลึกได้ของมันเอง ตรงนี้จะเข้าใจได้เลยว่าสติก็ไม่ใช่เราเพราะว่ามันเป็นเองนะมันระลึกได้เองมันกลับมาตื่นรู้ได้เองก็จึงรู้แจ้งว่าอ๋อสติไม่ใช่เราแล้วเวลาสติมันขาดนะเวลาเมือใหม่เวลาเมื่อใจลอยมันก็เป็นเองอีกแหละไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้เมื่อลอยแต่มันเป็นสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นคือลืมตัวไป ชั่วข่าวแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเมออันนี้ก็ไม่ใช่เราเมอลอยไม่ใช่เราขาดสติแต่มันเป็นสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่จริงมีอยู่จริงคือในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาการเมอลอยก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้เมอลอยมันเป็นเรื่องของมันเวลามีสติที่ระลึกได้เองมันก็เป็นเรื่องของสติไม่ใช่เราเป็นสติหรือสติเป็นเรา ตรงนี้เข้าใจได้เลยว่าอ๋อทั้งการขาดสติก็ไม่ใช่เรามีสติก็ไม่ใช่เราเนี่ยตอนนี้เริ่มหัดรู้แล้วว่าสิ่งใดไม่ใช่เราหัดรู้ไปเรื่อยต่อไปเนี่ยมันจะถอดถอนทีละอย่างทีละอย่างว่าไอ้นั่นก็ไม่ใช่เราอันนี้ก็ไม่ใช่เราเนมันจะถอดถอนถอดถอนจนกระทั่งว่าหมดเนื้อหมดตัวว่าทั้งตัวทั้งหมดทั้งสิ้นน่มันเป็นแค่สภาพธรรมะนะที่กาลังมีอยู่แล้วมันก็เสื่อมไป ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มีปัญญารู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงแบบนี้มันก็จะเข้าใจเรื่องความไม่เกิดมันจะเข้าใจเรื่องความไม่มีตัวตนนั่นแหละแล้วก็จะเข้าใจเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นมีความเจ็บไข้ไม่สบายเจ็บป่วยเนาะมันก็เป็นปัญญาที่แจ่มแจ้งรู้จริงว่าไม่ใช่เราป่วยไม่ใช่เราเจ็บนะ เวลาหายป่วยก็ไม่ใช่ว่าเราหายป่วยแล้วแต่มันเป็นอาการป่วยมันหายไปรวมความอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตในใจมันก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยความสุขความทุกข์มันก็ไม่ได้เป็นเราเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นปัญญาปัญญาในการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าอะไรก็ไม่มีเราในนั้นเลยไม่มีเราเราไม่ได้เกิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันมีแต่ธรรมชาติที่เกิด จะเรียกว่าดินน้ำไฟลมก็ได้เนาะออนั่นแหละที่เกิดมาที่เป็นรูปร่างนะก็คือประกอบด้วยดินน้ำลมไฟไฟลมอะไรเนี่ยลมก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นธรรมชาติน้ำก็เป็นธรรมชาติไฟก็เป็นธรรมชาติดินก็ธรรมชาติเพราะฉะนั้นที่เป็นร่างกายเนี่ยก็คือนั่นแหละดินน้ำไฟลมแล้วมันเป็นเราได้ยังไงเนี่ยต้องสะสมปัญญาต้องให้เกิดปัญญาในชาตินี้ให้ได้เลยเนาะอย่าอย่ามัวเสียเวลาอยู่แต่กับความ สงบสบายเงียบมีความสุขอย่างนั้นปัญญาไม่เกิดแล้วก็สุดท้ายก็ตายไปก็ต้องเกิดใหม่แต่ไม่รู้เกิดใหม่มาเป็นอะไรเป็นคนก็ยากอยู่แล้วเนาะอาจจะไปเกิดเป็นเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์เป็นนรกเป็นเทวดาเป็นพรมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในเรื่องนี้ให้พิจารณาเห็นสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นว่ามันเป็นแค่สิ่งสิ่งเกิดสิ่งดับนะไม่ใช่เรา ตรงนี้แหะคือเป็นปัญญาที่หลวงพ่อเน้นมากที่สุดคือหลวงพ่อจะไม่ได้เน้นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเพราะถือว่าตรงนั้นน่ยคนสอนก็มีเยอะแล้วแล้วพวกเราก็มีพื้นฐานเยอะแล้วให้มาต่อยอดในทางปัญญาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปทิ้งตรงนั้นเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามัวแต่ให้เกิดปัญญาให้เข้าใจธรรมะขั้นสูงแต่ว่ายังพ่องในศีลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะเป็นปัญญาเฉโกหรือว่าถ้าสมาธิไม่มีความสงบไม่มีนะปัญญามันก็ไม่เกิด แต่ที่เราฟังมากๆปัญญาเกิดเกิดแค่การฟังอย่างเมื่อกี้ที่โยมว่าเนี่ยปัญญาเกิดจากสุตตานี่มันก็มันก็ช่วยในทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่ได้ประมาณนี้อออยากให้ถามนะก่อนเวลาจะจะหมดในวันนี้นวัสการถามนะคะอ่าเชเลยชเช่พอดีหนูขับรถอยู่อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะหนูว่าถ้าสมมติว่าเรา ถูกสอนว่าให้สติระลึกรู้รู้ไปที่ความรู้สึกตัวสติระลึกรู้รู้ที่ความรู้สึกตัวเนี่ยค่ะสงพ่อแม่ตาขยายความให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะเพื่อเพิ่มปัญญาให้หนูค่ะจริงความรู้สึกตัวกับสติเนี่ยก็จริงๆก็คือก็คือสิ่งเดียวกันนะแต่ว่าถ้าถ้าแยกให้มันย่อยๆเนี่ยสติคือความระลึกได้น ะ, ะสัมปชัญญะคือความรู้ตัว แต่เมื่อมารวมกันสติสัมปชัญญะเขาเรียกว่ารู้สึกตัวทีนี้คําว่ารู้สึกตัวเนี่ยถ้าอธิบายด้วยคําพูดเนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะเหตุว่ า, าผู้อธิบายเนี่ยกำลังกำลังอธิบายเนาะและผู้ฟังก็กําลังฟังคําอธิบายอยู่ความรู้สึกตัวมันก็ไม่เกิดเพราะว่ากําลังฟังชนิดลืมตัวไปเลยแต่ถ้าหลวงพ่อจะชี้ตรงว่าความรู้สึกตัวให้รู้จักกันแบบด้วยการชี้ให้เห็นเนี่ย ก็คือว่าที่โยมถามมาเมื่อสักครู่นี้นึกได้ไหมว่ามีตัวโยมเป็นคนถามข้อสงสัยอยู่ถ้านึกได้ขึ้นมาว่าเออใช่เออเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นคนถามนี่เท่ากับว่ารู้เราแล้วรู้ตัวแล้วแต่ถ้าเราถามแต่ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นผู้ถามเพราะว่ามัวแต่มุ่งอยู่ว่าอาจารย์จะตอบว่ายังไงรอแต่ฟังอยู่แต่ไม่เห็นตัวเราว่าเราเนี่ยกลังรอฟังคาตอบอยู่อย่างนี้ การที่ไม่รู้ตัวแบบนี้เขาเรียกว่าไม่รู้สึกตัวแต่ถ้ารู้ตัวรู้สึกตัวก็คือรู้ว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้กําลังถามปัญหาอยู่ที่หลวงพ่ออธิบายนี้จริงๆเหตุการณ์มันจบไปแล้วแต่ว่ารีเพลย์ให้เห็นถึงสภาพว่าเออขณะที่ถามเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยลืมใช่ไหมลืมตัวไปว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถามหลวงพ่อคะถ้าหนูว่ารู้ความรู้สึกเช่นหนูรู้ว่าหนูกําลังคุยอยู่ รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอยู่รู้ถึงอืมเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏอยู่อันนี้ก็หนูก็ไปรู้ความรู้สึกใช่ไหมคะใช่เพราะคือส่วนใหญ่เนาะมันยังติดดรงที่ว่าเรารู้เราคือเราอะรู้ตัวเราเนาะยังมีคือตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่มีเราอีกตัวหนึ่งที่เป็นผู้รู้ก็เลยกลายเป็นว่าเรามารู้เรา ตรงนี้ซึ่งซึ่งยังคนจะติดอยู่ตรงนี้มากมายมหาศาลเลยเพราะว่ายังแยกไม่ออกระหว่างเรากับสิ่งที่มารู้เราเพราะเวลาเราคุยกันนะเพื่อนเวลาเช็คทดสอบเนี่ยบอกว่าเวลานั่งเนี่ยรู้ไหมว่านั่งเขาบอกว่ารู้สิทําไมจะไม่รู้แล้วเราถามว่าหลวงพ่อก็ถามว่าแล้วใครเป็นคนรู้ว่าเรานั่งอะก็บอกก็หนูไงหนูไงเป็นคนรู้ว่ารู้ว่าหนูนั่งแล้วก็คุยเท่าไหร่เขาก็ยังเข้าใจไม่ได้ว่าไอ้ที่รู้ รู้ว่าหนูนั่งอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเข้าใจถูกมันไม่ใช่เราเป็นผู้รู้หรอกมันเป็นเรื่องของอย่างน้อยก็คือเป็นเรื่องของจิตที่มีสติใช่ไหมนี่ถ้าพูดเป็นแยกให้เห็นนะมันไม่ใช่เรารู้แต่ว่าถ้ายังบอกว่าเรารู้ว่าเรานั่งเนี่ยแสดงว่ายังยังหลงผิดอยู่ยังเข้าใจในเรื่องของตัวรู้ไม่ได้เพราะไปยึดรู้มาเป็นเราอ่าอาเชนนะไม่รู้ว่าเมื่อกี้เข้าใจหรือเปล่านะเอาหัวขอออกคัพอดี ขับรถเดก๋งก็เลยเบาเบากใช่ใช่ระวังนิดหนึ่งเนาะขับรถเพราะบางทีมัวแตกตั้งใจฟังมากเดี๋ยวมาานันจะนันไปเดี๋ยวมีโอกาสหน้าหลยหลวงพ่อก็ต้องคุย<ช>เรื่องรู้นี่แหละขอบพระคุณหลวงพ่อบางครัอโอกาสหน้าเนี่ยหลวงพ่อกล่าวว่าจะคุยเรื่องรู้เพราะว่าพวกเราเนี่ยคือยังเป็นผู้รู้อยู่ยังเป็นผู้รู้คือยังรู้ไม่ได้ว่าไอรู้จริงๆอ่ะมันเป็นรู้ของคือสติอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเนี่ยเช่น เรานั่งเมอใจลอยนะมีคนมาสะกิดไหล่เนี่ยแล้วก็ตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยไอรู้แบบนั้น่ะจริงๆอะ่ะมันรู้ด้วยสติที่เป็นธรรมชาติเป็นสติสติตัวจริงแต่คนถ้าไม่เข้าใจสติตัวจริงเขาก็เ้ายึดหมดเลยยึดว่าไอ้ที่นั่งเผลอก็เราเป็นคนนั่งเผลอไอ้ที่ใจลอยเราก็เป็นคนนั่งใจลอยไอ้ที่รู้ตัวเราก็รู้ตัวโอ้มันยึดไปทุกอนูไปเลยยึดทุกอย่างเพราะนั้นตรงนี้มันยังต้องแยกแยะอีก ยังอีกหลายคิดว่านเนี่ยต้องคุยกันอีกทําความเข้าใจเรื่องนี้อีกหลายเลยช่วงนี้ขอสมควรกับเวลานะ<ม>ก็หลวงพ่อก็จะปิดท้ายรายการก็คือว่าสิ่งใดที่ได้ยินได้ฟังมาวันนี้นะอย่าฟังอย่าฟังเป่ า, ปาๆอย่าฟังเฉยๆอย่าฟังเพื่อประดับความรู้แต่ให้ไปลองไปลองทําไปลองทําก็คือว่าตามที่หลวงพ่อแนะนำอนไรนะแนะนํำยังไงก็ไปลอง นะไปลองทําเล่นๆดูแล้วก็สังเกตอะไรพวก น, นี้แล้วก็จะรู้แจ้งเห็นจริงมากขึ้นมากขึ้นกว่าเก่าแน่นอนเพราะเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ทันเห็นไม่ทันสังเกตพอมาได้ทําตามที่หลวงพ่อแนะนําก็จะจะรู้จะเห็นเขาเรียกว่ารู้ด้วยตนเองนั่นแหละเพราะว่าใครจะมารู้กับเราใช่ไห ม, มก็จะรู้จะเห็นแล้วก็ทําให้เกิดสติปัญญาเห็นตามความเป็นจริงของร่างกายจิตใจว่ามันเป็น กระบวนการของมันเช่นนั้นเองโดยที่ว่าไม่มีใครไปไปไปสั่งไปแนะนำไปอะไรมันเป็นเองของมันทั้งหมดเลยไอความเป็นเองอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะวันนี้ก็หลวงพ่อก็พูดแค่นี้